วันนี้เป็นวันปฏิบัติธรรมพวกเราวันหนึ่งแต่จบเหมาะกับวันสงกรานต์ด้วยวันนี้เป็นวันที่สิบสามเมษาห้าหนึ่งแต่กระตรงกับวันพระแปดค่ำขึ้นแปดค่ำเดือนห้าพวกเราจึงได้มาประชุมพร้อมกันทำวัดเย็นในวันนี้ ถือว่าเป็นวันได้ทั้งสองอย่างคือวันปีใหม่ด้วยวันพระด้วยวันปีใหม่ก็คือวันที่สิบสามเป็นวันตั้งสกราชใหม่สมัยโบราณว่าเมืองไทยของเราก็ถือวันที่สิบสามเป็นวันปีใหม่ต่อนี้ไปวันพุ่งนี้ก็เป็นวันตั้งสกราชใหม่เหมือนกับ วันปีใหม่ของสากลทั่วไปแต่ถึงยังไงปีใหม่ด้วยปีเก่าวันคืนเดือนปีก็ผ่านไปผ่านไปมีแต่พวกเราสมมติขึ้นมาเท่านั้นเองแต่วันคืนเดือนปีมันก็เป็นอย่างเก่าแต่ว่าถ้าว่าสมมติขึ้นมาก็คือเมษาเนี่ก็เป็นช่วงฤดูร้อนต่อไปเขาเข้าเขตฤ ด, ดูฝน ต่อไปก็เข้าเขตฤดูหนาวมันก็วกวนเวียนอยู่ในสามฤดูนี่แหละเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาแต่วันพระก็เหมือนกันเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็แรมเดี๋ยวก็เดือนนั่นเดือนนี้ผ่านไปผลที่สุดก็ผ่านไปหนึ่งปีอันนี้ก็คือโลกมันหมุนเวียนเปลี่ยนกันอยู่อย่างนี้ ตั้งแต่เรายังไม่เกิดเมื่อเราตายไปแล้วก็คงจะเป็นอย่างนี้อีกต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดแต่ทำไมจะนี้เรามาสังเกตดูทำไมจึงมีพระพุทธศาสนาทำไมพระพุทธเจ้าจึงอุบัติขึ้นในโลกทำไมเป็นยุคเป็นสมัยอันนี้ก็คือ ถ้าเราใช้ความคิดหรือว่าสามัญสำนึกเราคิดแบบทั่วทั่วไปคือมันมีเป็นมาแล้วอย่างพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธเจ้าหรือพระหานสาวกหรือเป็นพระธรรมคําสั่งสอนเป็นมาแล้วแต่พวกเราที่เกิดมาจุดท้ายภายหลังเราก็คิดว่าทําไมจึงมีฮะ ทำไมจึงมีอย่างนั้นอันนี้ก็คือเป็นการคิดของคนทั่ ว, วไปพวกเราก็คงจะคิดและก็คงจะหลายๆคนคิดสรุปแล้วก็คือทำไมจึงมีพระพุทธศาสนาทำไมจึงมีปรัชญาอย่างนี้แต่ตามไปจริงถ่าวานโลกทั้งโลก อยู่ด้วยไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่มีความทุกข์เดือดร้อนทางด้านจิตใจไม่มีอะไรที่มากระทบกระแทกกระทั่งเขาคงจะไม่มีพระพุทธศาสนาฮะที่มันมีพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาได้เพราะว่าเป็นความคิดของสิท ธ, ธัตถะสิทธัตถะถ้าจะว่าไปแล้ว ก็เป็นเรื่องที่ยืดยาวถ้าหากว่าคิดในแง่ปัจจุบันก็อีกมุมมองหนึ่งถ้าคิดถึงความรู้หรือความสามารถหรือ ว, ว่าญาณทัศนะของพระ อ, องค์อันนั้นอีกมุมมองหนึ่งทําไมจึงมีสองมุมมองเพราะมุมมองหนึ่งคือมุมมองในปัจจุบันคือมุมมองหนึ่งคล้ายๆว่าพระทธองค์ได้ ออกไปบวชแล้วได้บาเพ็ญได้ประพฤติพรหมจรรย์ได้บาเพ็ญทางด้านจิตใจเกิดยาณทัศนเกิดความรู้พิเศษขึ้นมาแล้วก็มองย้อนหลังไปถึงอดีตชาติแต่ก่อนเป็นยังไงอดีตชาติก่อนเป็นยังไงหลายพบหลายชาติหลายร้อยหลายหมื่นหลายแสนชาติเป็นยังไงอันนี้เรียกว่ายาณาทัศนะอันนั้นเป็นความรู้ความ เข้าใจของพระ อ, องค์ในยุคสมัยนั้นแต่เมื่อท่านรู้แล้วเห็นแล้วท่านรู้ทั้งปัจจุบันรู้ทั้งอดีตรู้ทั้งอนาคตอีกต่างหากเทนี้อดีตที่ผ่านมาท่านก็รู้ท่านก็มาเป็นพระธรรมคำช่างสอนให้พวกเราได้ศึกษาส่วนปัจจุบันพระ อ, องค์ก็ได้ทําตนอย่างไรที่ได้หนีออกไปบวช หรือว่าออกไปประพฤติพรมจันย์อันนี้น่าศึกษาตอนสิทธิ์ฐาที่จะออกไปบวช น, น่าศึกษาพ ร, พระพุทธมัพระพุทธเจ้าสิทธิ์ฐาพระเจ้าแผ่นดินที่ท่านคลองราชถ้าจะว่าไปแล้วทรัพย์สมบัติบริษัทบริวา ร, รทุกสิ่งทุกอย่างพรอ้อมสรรพไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องแต่ทําไมสิทธิ์ฐา จึงได้หนีออกไปบวชอย่างนั้นเพราะอะไรจุดสนวนแรกคือสิทธะท่านเห็นคนแก่นี่แหละเห็นคนแก่ทุกคนแล้วแก่แก่แล้วหาความสุขไม่ได้ถ้าแก่ธรรมดาเหมือนกับเด็กขึ้นมาเป็นเด็กหนุ่มเป็นเด็กสาวก็แก่ขึ้นมาแต่ก็ไม่กระไรแต่พอแก่เข้าไป หาหลักประหารทั้งหกสิบเ็ดสิบเข้าเข้าไปแล้วหนังเหี่ยวผมงอกฟันหลุดตาฟ้าฟางหูหนวกจุดนั้นแหละเป็นจุดที่ว่าแก่งอมแล้วว่าแก่สุดจุดนั้นแหละที่ศิตถทะเห็นแล้ ว, วาหาความสุขไม่ได้จริงๆถ้าแก่ขึ้นมาเป็นเด็กน้อยขึ้นมาแก่ขึ้นมาจะมาหาเป็นเด็กหนุ่มสาวอันนี้ก็ยังมองไม่เห็นว่าความทุกข์นั่นคืออะไร แต่พอมามองเห็นจุดที่ว่าการแก่งมที่จะไปถึงจุดจบของชีวิตนั้ น, อ, นอันไหนคือความสุขมีความสุขไหมอันนี้หละคือศิทธิฐะนทีค้นคว้าศึกษาท่านว่าหาความสุขไม่ได้จริงๆเพราะความแก่จากนั้นยังแถมความเจ็บเข้ามาอีกความเจ็บไข้ได้ป่วย เ, เป็นของแถมในร่างกายอีก ทุกคนจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ถ้าว่าเมื่อแกเท่าชรลาไปแล้วก็ไม่กระไรตายก็ตายไม่มีอะไรแต่ผลที่สุดมันแถมเจ็บเข้าไปอีกเลยเมื่อแถมเจ็บเข้าใจหายใจไม่ออกนทนทุกทรมานในร่างกายตัวนี้เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นทุกขเวทนาเป็นเรื่องที่ทรมานอย่างสุดๆมันหาความสุขไม่ได้ในร่างกายอันนี้ ถ้าหิวโหวยธรรมดาเราก็พอสาะแสวงหาทรัพย์มาเยียวยามาให้อาหารการบริโภคก็พอเป็นไปแต่พอมันเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเนี่ยอันนี้เป็นการทกจริงๆอันนี้ศิทธรรท่านกดดูแล้วหาความสุขไม่ได้ในร่างกายที่ว่าสุขสุขนั้นแก่แล้วยังมาแล้วยังมีเจ็บอีกและท่านก็เห็นปู่ย่าตาทวดของท่าน ในเวียงในวังที่ท่านแสวงหาทรัพย์ปกป้องบ้านเมืองจนมาถึงองค์ท่านที่เป็นกษัตริย์ปกครองกี่โชกโคตรอันนี้ท่านก็ได้ศึกษาว่าท่านเหล่านั้นไปไหนถ้าว่าท่านเหล่านั้นมีความสุขจริงๆท่านก็ต้องอยู่ปกครองประเทศชาติบ้านเมืองอยู่ทั้งกระทั่งทุกวันนี้ท่านเหล่านั้นไปไหนก็ทราบแน่ ชัดว่าท่านเหล่านั้นร่องรอยไปตามอายุสังขารใครจะอยู่ไม่ได้ถึงจุดจบของชีวิตเป็นลําดับลําดับมาไล่เลียงกันลงไปเรื่อยเออต่อไปก็เป็นพระบิดาพระมารดาของท่านพระมารดาของท่านเขาเสด็จสวรรคตไปก่อนแล้วยังเหลือแต่พระบิดาต่อไปพระบิดาก็จะเสด็จสวรรคตอีกก็มาถึงองค์ท่าน พอจากนั้นองค์ท่านก็ไปก็ถ่ายทอดไปถึงตัดจบุตรของพระองค์ตอนี้ความสุขที่แท้จริงนั้นคืออะไรนี่แหละท่านในค้นคว้าจุดนี้ท่านพิจารณาจุดนี้แล้วท่านว่าเป็นมาอย่างไรท่านจึงเป็นอย่างนี้จากนั้นท่านก็พิจารณาค้นคว้าทาว่าเราเป็นคราวาญญาติโยงคลองครองราชอยู่อย่างนี้คงไม่สามารถที่จะค้นคว้าคิดค้นเห็นได้ว่า เรื่อง ต, งต่างๆที่เราจะต้นหาต้นต่อหรือว่าจะหาวิธีแก้ไขนคงจะไม่มีทางเพราะราชกิจการบ้านการเมืองกิจส่วนตัวกิจเรื่องราวที่ผู้มาเกี่ยวข้องมากมายเรื่องราวที่จะต้องได้คิดได้ประปรุงแก้ไขไม่มีโอกาสที่จะค้นคิดถึงจุดนี้ได้เพราะนั้นพระ อ, องค์จึงพิจารณาดูแล้ว สิ่งที่พระองค์เห็นคือแก่เจ็บตายนั้นเป็นมหารตภัยอันยิ่งใหญ่จริงๆถ้าจะเปรียบเทียบกับความสุขอยู่สบายในโลกมันเทียบกันไม่ได้เป็นคนละเรื่องละราวกันความสุขที่เห็นเห็นที่อยู่ๆมีความสุขเป็นวันๆกับมหารตภัยที่จะมาเจอในภายภาคหน้านั้นมันคนละเรื่องกัน มันเทียบกันไม่ติดเพราะฉนั้นพระ อ, องค์จึงเปรียบเทียบทั้งสองฝ่ายทั้งสองเรื่องราวการเป็นอยู่และการที่มรณ ะ, ะภัยนั้นจะมาถึงพระ อ, องค์จึงมองไม่เห็นว่าอันนั้นคือความสุขมันมองเห็นแต่ทุกข์ซะมากกว่าทีนี้พระ อ, องค์ก็เลยยอมเสียสละออกไปค้นคิดแล้วไปค้นคว้าอยู่ในป่าจึงหนีไปตามลําพังพระ อ, องค์ ส, สระราชสมบัติไม่ได้บอกใครหนีไปอยู่ในป่าดงไปถึงแม่น้ำอโนมาทนาทีจากนั้นพระองค์ก็ทรงผนวชเป็นนักบวชในคราวนั้นเ็เป็นนักบวชท่านก็ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นนักบวชเป็นนักบวชสายหนึ่งเป็นนักบวชสาขาหนึ่งเป็นนักบวชความคิดหนึ่งในยุคสมัยนั้นเพราะว่าคนสมัยนั้น นักบวชมีมากมายอย่างทุกชุววันนี้ก็เถอะอย่างที่อินเดียพวกบางคนบางท่านได้ไปเห็นแนวความคิดแปลกแตกลากหลายในแนวความคิดในยุคสมัยนั้นยุคสมัยนี้ก็คงไม่แพ้กันแต่สมัยนั้นศิทธิถาท่านก็หนีไปบวชแต่พอไปบวชแล้วท่านก็ไปศึกษาค้นคว้าหาช่องทาง อยู่เป็นเวลาถึงหกปีเนี่ยที่ท่อนค้นค ว, วาถ้าค้นควาอะไรถ้าเราศึกษาในพุทธประวัติพระพุทธองค์เห็นว่าร่างกายนี้เกิดมาจากไหนใจทำไมปุ่งฟุ้งซ่านทำไมคนจึงเป็นอย่างนั้นทำไมคนยึงเป็นอย่างนี้เรื่องราวทำไมเป็นนั้นทำไมคนจึงติดอยู่ในภพในชาติในความสุขสุขที่ไหนสุขอะไรที่เป็นความสุขที่ทาให้โลกติด ทำให้โลกไม่อยากจะหนีทำให้โลกรุ่มหลงมัวเมาทำให้โลกมนุษย์โลกทั้งหลายติดข้องแวะไม่อยากจะหนีจากโลกเพราะอะไรทำไหมทีนี้สิทธัตถะท่านก็ค้นคว้าขุดค้นลงไปถ้าเราได้ศึกษาในพุทธประวัติแล้วท่านเน้นลงไปสู่กามกิเลส กามกิเลสจุดนี้เป็นเครื่องที่ดึงดูดเป็นที่ผูกมัดจิตใจของสรรพสัตว์ทั้งหลายเพราะนั้นพระองค์จะทํำยังไงจึงจะหนีจากตัวนี้ให้ได้พอไปค้นหาต้นต่อไปหาถึงจุดนี้แล้วพระองค์ก็พยายามทรมานกายคิดทรมานกายทํำยังไงจึงทรมานกายให้หนีจากา ก, าจากิเลสราคะ ตัวนี้ให้ได้จากนั้นพระองค์ก็ปดกั้นลมปิดลมลิ้นอุดเพดานอุดจมูกจนลมขึ้นไปเบื้องบนศีรษะสลบนี่แหละจนว่าพระพุทธองค์ศีรถะสลบนี่จุดนี้แหละแหมใครา ว, ว่ามันทำไมทำไมมันมีร่างกายอย่างนี้มันทาไมมันจึงมีกิเลสอย่างนี้เกิดขึ้น จากนั้นพระ อ, องค์สลบสลายไปจนเทวดาจนพวกบางท่านเทวดาที่มองเห็นที่ช่วยช่วยเหลืออยู่โอ้โหทำไมศิทธะไปแล้วเนี่ยเสียแล้วหมดแล้วนี่หละจากนั้นพระ อ, องค์ก็ฟื้นกลับคืนมาก็าบอกว่ายังไม่ใช่พอกลับมาแล้วยังคิดถึงคำานึงถึงตัวกิเลสกรรมมากิเลสมันก็ยังพอกพูนหัวใจอีกอย่างเก่าท่านก็บอกถามมาอย่างนั้นพดอาหาร ทรมานมันอดพักกาหารถึงสี่สิบ้าวันจนร่างกายผอมโกพอฉันพักยาหารขึ้นมาดูแล้วมันก็ยังอย่างเก่าท่านก็พิจารณาได้ว่าการทรมานกายนั้นไม่สามารถที่จะตัดกิเลสภายในใจของพระองค์ได้จากนั้นพระองค์จึงบําเพ็ญทางจิตใจใช่ไหอนี่แหละ คือขั้นตอนที่ศิตตก่อนที่จะมีศาสนาพุทธศาสนาเกิดขึ้นท่านเห็นจุดไหนก่อนสรุปแล้วก็คือเห็นความแก่ความเจ็บความตายจากนั้นพระองค์ก็ออกไปค้นคว้าตามลําพังไปคิดคน้นหาช่องทางที่จะเดินออกจากความแก่เจ็บตายนจะออกด้วยวิธีอย่างไรแต่นี้พระองค์ก็ไปทรมานพระองค์ทรมานกายพระองค์มากมายหลายอย่างถ้าเราศึกษาในพุทธประวัติ จากนั้นวันเดือนหกเพนท่านก็ามาระลึกนึกย้อนถึงสมัยท่านเป็นกุ ม, มารที่เป็นเด็กที่ไป น, นั่งภาวนาอยู่ที่โครนต้นว่าตามลำพังพอนั่งขัดสมาธิขึ้นมากำหนดลมหายใจเข้าออกจิตของพระองค์เข้าสู่ฌาน<ม>เมื่อจิตเข้าสู่ฌานจิตสงบเป็นหนึ่งพระองค์ว่ามีความสุขอย่างมากในขณะนั้นในช่วงนั้น อันนั้นกำลังเป็นหนทางที่จะเป็นกุญแจที่จะออกไปสู่ความสำเร็จได้แต่สมัยนั้นพระองค์รู้สมัยเป็นเด็กก็รู้ว่าในโชวนั้นมีความสุขมากจริงๆในฐานะเป็นเด็กแต่พอนั่งสมาธิในครั้งเดียวเกิดชานในครั้งเดียวจากนั้นพระองค์ก็ไม่ได้ทำติดต่อปล่อยปะละเลยจน จิตของพระ อ, องค์เป็นปกติไม่มีอะไรแต่เหมือนกับในช่วงนั้นเหมือนกับพระ อ, องค์ถ้าจะเปรียบเทียบเหมือนขับ อ, องค์หลงป่าดงพงไพไปเห็นสระน้ําอยู่ในป่าไปเห็นสระน้ําที่ใสสะอาดแต่ปกคลุมด้วยจอกแร่แหนแต่นี้พระ อ, องค์ลงไปกวาดจอกแหนขึ้นไปดื่มพอดื่มเสร็จแล้ว พระ อ, องค์ก็หนีจากสะนั้นลืมในสะนั้นคือไม่ได้สนใจอีกแต่ถึงยังไงพอหิวกระหายน้ำขึ้นมาเมื่อไรพระ อ, องค์ก็คงนึกย้อนหลังว่าเราได้ไปเจอบ่อน้ำบ่อนั้นดื่มน้ำบ่อนั้นเย็นน้ำจืดสนิดดีมีความสุขจริงๆอันนี้ก็เหมือนกันศีธถะที่ท่านได้ยาณทัศนะ ในวันนั้นพระ อ, องค์ก็คงจะล้ำลึกหลัวคิดถึงเพราะนั้นวันที่พระ อ, องค์จะได้ตัดสู้ธรรมคือวันเดือนหกเพนท่านจึงได้กำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นเป็นหลักทเท่นั่งกัจจามาทิสร็จเรียบร้อยแล้วนั่งจากนั้นก็กำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นหลักนี่แหละพอจากนั้นพระโอจิตของพระ อ, องค์เข้าสู่ความสงบเกิดญาณทัศนะขึ้นมา จึงได้รู้ปุเพเนวาสานุสติยานจุตูปะปาะะตยานอาสาวัคคายานได้ตัดกิเลสในวันเดือนหกเพนนนั้นนี่ละเมื่อได้ตัดสรู้ ร, รมบรรลุธรรมแล้วพระองค์ก็นึกระลึกนึกย้อนหลังดูว่าจิตใจของพระองค์นั้นติดข้องกับอะไรท่านก็ยกเป็นปุกลาธิฐานขึ้นมา เป็นขั้นเป็นตอนตอนที่จะได้ตัดสั้รู้ธรรมในวันเดือนหกเพนก็ใช่ย่อยท่านก็บอกว่าได้สู้กับพญามารเสนามานที่มารบพุ่งพระพุทธองค์ถ้าเราเปรียบเทียบดูแล้วมารนั้นคืออะไรกิเลสมานกิเลสมานนั้นคืออะไรมีหลายอย่างกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะ ในวันนั้นในคืนวันนั้นถ้าเราจะเปรียบเทียบหรือว่าเราวิเคราะห์ออกมาที่พระพุทธเจ้าจะได้ตัดสรู้ในคืนวันเหนเดือนหกเพนนนั้นพระพุทธองค์ต่อสู้กับอะไรที่หนักหนาที่สุดถ้าว่าพวกเราวิเคราะห์ดูแล้วก็ไม่น่าผิดคือพระพุทธองค์ต่อสู้กับเรื่องการมักกิเลสมากเพราะเหตุไรท่านเปรียบเทียบนาง ตันหานาราคาอรดีับ ว, ว่านางนั่คืออะไรคือมันตรงกันข้ามกับหญิงชายชายหญิงมันคนละมันคนละขั้วกันในพุทธองค์พูดถึงทำไมตัดสรุ ธ, ธรรมจึงไปพูดถึงนางตันหาราคาอรดีที่เป็นบุต ธ, ธิดาของพญามารคือพญามานนี่ก็คือตัวอวิชชาพญามารคือตัวใหญ่คือตัวอวิชชา นางตันหาราคาอ ร, อราดีนั่นก็คือเป็นลูกน้องบริวารเป็นลูกสาวของพญามารก็คือการมราคาโทสะโลภโกรดหลงนี่แหละที่เป็นลูกน้องของพญามารแต่นี้พระพุทธองค์เอาชนะได้อย่างไรก็ด้วยอธิษฐานด้วยสัจจัดด้วยอธิษฐานด้วยความตั้งใจมั่นของพระองค์ ดยอธิษฐานถึงบารมีที่ได้บำเพ็ญมาในอดีตชาติให้มาเข้ามาช่วยเสริมในขณะนี้เพราะมานเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างหนักคาว่ามารแลกิเลสมานตัวนี้พวกเราวิเคราะห์ดูก็ว่ากิเลสคือกรมกามมักกิเลสขณะที่พระพุทธขณะที่สิท ธ, ธัตถะขณะที่ท่านยังไม่ได้ตัดจรู้ธำท่านยังเป็นสิทธัตถะอยู่ ในยุคนั้นที่คราวนั้นที่สู้กับพญามารเพราะยาท่านยังไม่ได้ตัดสรูพญามารยกทัพเข้ามาคล้ายๆกับพ ร, ะ, พระองค์คิดไปถึงเรื่องกิเลสเรื่องราคะการเป็นอยู่สมัยเก่าก่อนสมัยเป็นเจ้าฟ้าเจ้าเปนดินสมัยขลองราชสมัยการเป็นอยู่เพราะนั้นกิเลสตัวนี้มันเข้ามารบกวน พระ อ, องค์จนปั่นป่วนเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลง เ, เกือบจะสู้มันไม่ไหวเมื่อกันเถอะเพรากิเลสการมาราคะตัวนี้เข้ามาตมามที่ดิฉันการมาราคากะกับโทสะนี่ถ้าไม่ได้ถ้าได้อย่างกามมะกามการมกิเลสโทสะมันก็หายไปถ้าว่าปฏิเสธเรื่องกามโทสะมันก็ลุกลุกขึ้นมา สรุปแล้วก็คือกิเลสราคะโทสะเนี่ยมันค้อยทีถ้อยอาศัยกันถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับกามราคะเนี่ยเหมือนกับต้นไม้โทสะเนี่ยเหมือนกับเถาวัลพันกันไว้อยู่อาศัยกันอยู่เพราะนั้นถ้าเราได้ศึกษาดูว่าพระอนาคามีท่านตัดกิเลสกามราคะกระเด็นออกใจของท่านโทสาก็ ไปด้วยกันไปบรรลัยไปด้วยกันราคาะกโทสะยังเหลือแต่มโมหะตัววิชาจะต้องได้ทําความเข้าใจได้มาดัดแปลงมาสะร้างอีกทีหนึ่งท่านจึงได้สําเร็จเข้าสู่พระนิพพานอย่างพระอนาคามีท่านจำรักกิเลสราคาะกตสะุสักจากใจของพระองค์ออกจากใจท่านก็ขึ้นไปอยู่สุดทวาราห้าชั้นยังไม่ถึงนิพพาน เข้าไปไปศึกษาไปทำความเข้าใจไปสะล้างไปบำเพ็ญไปขัดเกลารไปพิจารณาไตรตรองอยู่ในสุดทวารซะก่อนจากนั้นกิเลสความหลงกระเด็นออกใจรู้แจ้งเห็นจริงพระอนาคามีก็เป็นพระอารหันต์ไม่ลงมาเหยียบแผ่นดินอีกคือพระอนาคามีเนะี่ยไม่ลงมาเหยียบแผ่นดินตัดกิเลสคือการมราคากระทษะเด็ดขาด กระเด็นออกจากใจของท่านจากนั้นท่านก็ได้สาเร็จเป็นพระอรหันต์นิพพานนิพพานันานางประมังสุขขังนิพพานังประมันศูนอย่างความสุขแล้วก็สูญสูญคือศูนย์เชื้อเชื้อที่จะทำให้มาเวียนว่ายตายเกิดตัดขาดหมดแล้วแล้วก็มีแต่ความสุขนี่แหละสรุปแล้วก็คือพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์น่ ที่ท่านสู้หรือบำเพ็ญอยู่ในวันเดือนหกเพนวันนั้นทิศคืนตัดสรุนั้นท่านสู้อย่างสุดสุดบารมีของพระองค์ทุกบารมีเข้ามาเกื้อกูลหนุนพระพุทธองค์ถ้าจะว่าไปแล้วก็คือเรียกร้องออให้ฆ่าตั้งจิตอธิษฐานถึงบารมีเหล่านั้นให้มาช่วยพระองค์ บุญที่ได้สั่งสมมาในอดีตพบต่างๆที่เคยเป็นลือสีชีภัยเคยบำเพรนมาทุกแห่งหนข้าวนี้เป็นข้าวที่จะต้องได้ตัดสูดได้สู้อย่างเต็มที่แล้วบารมีของพระ อ, องค์ก็เข้ามาเสริมผลที่สุดพระ อ, องค์ก็ได้ตัดจรูธรรมคืนเดือนหกเพ็นนั้นเมื่อสอง1้าห้าสิบเอ็ดปีให้หลัง ทีนี้มาพูดถึงวิธีการทีนี้ในคืนนั้นพระองค์กําหนดอะไรอันนี้ก็น่าศึกษาอย่างมากพวกเราเป็นศิษยานุศิษย์ของพระพุทธเจ้าต้องนํำทำคําสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าเห็นแล้วท่านเขียนแผนที่ไว้แล้วให้พวกเราได้ศึกษาเป็นแนวทางถึงจะไม่ชัดทีเดียวก็เป็นแนวทางพระพุทธองค์ท่านก็บอกตัดไว้ว่า พระพุทธองค์ไม่สามารถที่จะนำพวกเราให้ดึงจิตใจของเราให้รู้แจ้งเห็นจริงได้พระพุทธองค์เป็นเพียงแต่ผู้ชี้หนทางเป็นผู้แนะนำเป็นผู้ชี้หนทางให้พวกเราเดินเหมือนกับท่านเขียนแผนที่ไว้แล้วถ้าหากว่าพวกท่านอยากจะไปกรุงเทพต้องไปตามแผนที่นี้นะเท่านั้นเอง พระพุทธองค์ไม่ได้ดึงกระชากลากถูพวกเราให้ไปถึงกรุงเทพได้อันนั้นเป็นความคิดของแต่ละคนพระพุทธองค์เพียงแต่ว่าเป็นผู้ชี้นำเป็นผู้แนะนำหนทางเป็นผู้แนะนำหนทางให้ไปสู่ทางพ้นทุกข์จะไปได้อย่างไรพระพุทธองค์เพียงชี้นาเท่านั้นอันนี้ที่ท่านได้ตัดสู้ทมแล้วท่านก็เขียนแผนที่วิธีการให้พวกเราได้ศึกษา นี่แหละพวกเราให้ศึกษาจุดนี้เบื้องต้นพุทธองค์ทําอย่างไรพุทธองค์กระบอกท่านกําหนดนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกพอจิตของพระองค์พระไทยของพระองค์เข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งจากนั้นเกิดญาณทัศนะเอออันนี้คือพุทธะ แต่พวกเราท่านทางหลายเมื่อกำหนดลมหายใจเข้าออกจิตเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งแล้วก็ให้ดูให้อยู่ในความสงบเมื่อถอดออกจากสงบความสงบให้พิจารณาร่างกายเพราะคนเราเนี่ยหลงร่างกายคำ ว, ว่าหลงร่างกายนี่คืออะไรอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสพยามานเอออันนี้ก็คือร่างร่างกายนี่คือขันธธรรมาน ขันธมารเบียดรังแกเราเจ็บหลังปวดเอวเนี่ยคือขันธมารร่างกายเนี่ยคือขันธมารกิเลธสธรรมานก็คือใจนึกคิดไปสู่อารมณ์ต่างๆปล่อยจิตปล่อยใจไปถึงอารมณ์ต่างๆที่เคยพบเคยเจอเคยเห็นเคยสัมผัสมามันก็พออกพอใจในการเป็นอยู่และแนวความคิดหรือว่าการพบการเห็นการเจอนั้นการสัมผัสนั้นมาอันนี้ก็คือกิเลส พระองค์ให้รู้ว่ากิเลสเหล่านั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนิจจังของไม่เที่ยงสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ทำไมเป็นทุกข์เพราะมันไม่ใช่ยั่งยืนเป็นอนันตา ก, การมันสัมผัสมีความสุขประเดียวประดาวชั่วครั้งชั่วการต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเท่าแกชรลามันเปลี่ยนแปลงไปหมดจะหาความสุขได้ที่ไหนเมื่อเราไปยึดไปถือ ไปยึดมั่นถือมั่นจนเกินไปความทุกข์น่นแลจะเข้ามาแทนที่ในจุดนั้นอันนี้พระองค์ท่านแนะนำสั่งสอนอย่างพวกเราท่านทั้งหลายพอนั้นท่านจึงให้เมื่อจิตสงบแล้วท่านให้พิจารณาให้เห็นร่างกายว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้สวดอัญชงโคเมกายูเมื่อกี้เนี่ยกายของเรานี่แหละ ตั้งแต่หัวจุดเท้ามีอะไรบ้างมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปวดไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าในร่างกายของเราเป็นอย่างนั้นใช่ไหมไม่มีใครปฏิเสธได้ในร่างกายของเราเป็นอย่างนั้นจริงๆเมื่อเป็นอย่างนั้นจริงๆ ร, ร่างกาย น, นจะอยู่ได้นานไหมก็ตอบได้อีกว่าไม่ได้นาน พ่อแม่ปู่ย่าตายายของพวกเราพัดพาคจากไปแล้วมากต่อมากแต่พวกเรายังมีชีวิตอยู่แต่อีกสักวันหนึ่งข้างหน้าไม่รู้จะเป็นวันไหนละพวกเราก็จะเดินตามหลังท่านเหล่านั้นไปเราจะต้องบอกว่าข้าอายุเท่านั้นข้าแก่อย่างนี้ถ้าข้าจึงจะไปไม่มีใครจะรับประกันอย่างนั้นได้เพราะว่าร่างกาย ของเราเนี่ยมันเหมือนกับผลละหมากลากไม้ผลละไม้เป็นดอกลูกเล็กๆ ก, ก็หล่นได้พอใหญ่ขึ้นมาก็หล่นได้ลูกโตขึ้นมาก็หล่นได้จนมันสุกก็หล่นแต่ไม่มีลูกผลไม้ลูกไหนที่จะอยู่ที่จะไม่หล่นเชลเลยไม่มี ชีวิตของมนุษย์ก็เหมือนกันเกิดขึ้นมาแล้วตายก็มีเป็นเด็กตายก็มีหนุ่มสาวตายก็มีกลางคนตายก็มีแต่ทุกคนไม่มีใครที่จะพ้นความตายไปได้ทุกคนต้องถึงจุดจบนี่ลหละท่านให้พิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงในร่างกายของเราเป็นอยู่อย่างนี้ตอนนี้เราได้อะไรในขณะที่เราพิจารณาอย่างนั้น คือให้ใจิตใจของเราเนี่ยใจของเราเนี่ยเห็นร่างกายพวกเราต้องคิดให้ออกว่าแยกให้ออกว่าในร่างกายของเราเนี่ยมีกายกับใจนี่แหละคือตัวนึกคิดนั่นนะคือใจหรือสมองแต่หลักของพุทธศาสนาเนี่ยว่าใจมาใช้สมองเอาสมองเป็นเครื่องมือคิดไขควรไตรตรองแต่สมอง ก็เป็นเครื่องมือของใจใจกับสมองเป็นกลุ่มหนึ่งต้องใช้เครื่องมือเหมือนกับเราจะทำสิ่งไหนเราก็ต้องใช้เครื่องมืออันนี้ก็เหมือนกันใจของเราเนี่จะใช้ขาคิดก็ไม่ได้จะใช้มือคิดก็ไม่ได้ต้องใช้สมองคิดสมองคิดเมื่อคิดแล้วส่งไปทางตาตาเป็นรูป ตาก็เห็นพอเห็นรูปส่งเข้ามาสมองอีกหูได้ยินส่งเข้ามาสมองอีกสมองเป็นว่าเป็นผู้รับเรื่องเรื่องราวต่างๆอยู่กับสมองทั้งหมดสมองเป็นผู้ส่งออกไปทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายเรื่องสัมผัส ต, ต่างๆรู้เรื่องต่างๆออกไปจากสมองคือออกไปจากความคิดออกไปจากใจใจ รับเรื่องรับราวจากสมองผลที่สุดใจเมื่อใช้ไปใช้ไปสมองมันฟอสมองมันแตกสมองมันพิการใจตัวนั้นก็หมดสภาพเหมือนกันเครื่องมือมันเสียใจของตัวนั้นก็ก็หยุดเพราะจะใช้ไปก็ใช้ไม่ได้ เ, เพราะเมื่อเครื่องมือมันเสีย เนี่ยแต่ก่อนเราใช้หูทิพตแต่หูทิพตมันเสียจะทำยังไงมันก็ต้องหูบอดตาของเราเหมือนกันตาของเราใช้แว่นตาขยายเราก็พอมองเห็นแต่พอมันตามันเสียแล้วจะทำยังไงมันก็หยุดตามก็ต้องหมดสภาพอันนี้ก็เหมือนกันใจของเรามาใช้สมองแต่เมื่อสมองมันพิการสมองมันใช้ไม่ได้ใจก็ต้องหยุดในการใช้อีกเหมือนกัน แต่ว่าใจตรงนั้นก็คล้ายๆกับทนทุกข์ทรมานและทีนี้เพราะเครื่องมือมันเสียแต่อีกสักวันหนึ่งทีนี้ร่างกายมันอยู่ไม่ได้มันเป็นอนิจจ์ผลที่สุดร่างกายก็แตกสลายพอแตกสลายใจตรงนั้นก็ต้องออกจากร่างไปอีกทีนีออกจากร่างถ้าว่ากิเลสยังมีราคะโทสะโมหะยังมีอยู่ในจิตใจใจตรงนั้นก็ไปปฏิสนธิไปก่อร่างสร้างขึ้นมาใหม่อีก ไปปฏิุนที่กับท้องคนอกีกถ้าว่าตัวเองทําบาปกลั่มเอาไว้ทีนี่แน่นละตัวนี้บาปกลั่มทีนี่เข้ามาแทรกแลยท่นี่ถ้าตัวเองทํากลั่มไม่ดีเอาไว้ออกจากมนุษย์อาจจะไปเกิดเป็นสัตว์จิรฉานช้างม้าวัวควายเป็นไปได้ทั้งนั้นนี่แหละพระพุทธองค์ท่านรู้เอท่านรู้วิถีทางของจิตใจหรือของวิญญาณดวงนี่นะมันเป็นมาอย่างไงเป็นไปอย่างไงเป็นไปได้หลายๆรูปแบบ เพราะนั้นพระ อ, องค์จึงได้ศึกษาจุดเรื่องจิตวิญญาณดวงนี้กว้างขวางท่านยังเขียนเป็นตำรับตำราให้พวกเราได้ดูถ้าดูไปแล้วพระไตรปิฎกแปด0มืนสี่พันพระธรรมมขันมันเป็นเรื่องกายกับใจทั้งนั้นไม่ใช่อื่นไกลถ้าจะเปรียบเทียบบุญกับบาปก็ใช่อื่นที่ไหนบุญมันมาจากที่ไหนบาปมันมาจากที่ไหนเออเกิดแก่เจ็บตายร่างกายสังขารจิตใจกายกับใจกายกับใจเป็นชวนมาก ถ้าเราดูแล้วเพราะนั้นพวกเรา ท, ทุกทุกท่านถ้าปฏิบัติธรรมในถึงจุดจบถึงสิ้นสุดได้สิ้นสุดของธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ค้นคว้าในวันเดือนหกเพจนั้นคืออะไรใจดงนี้หนละใจตัวที่รู้รู้ในเรื่องต่างๆนี่นะมันมีสิ่งอยู่ในจิตใจนะ่คือมีเชื้ออยู่คือกิเลส กิเลสนั่นคือกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะโมหะคือความหลงโทสะคือความไม่พอใจราคะก็คือความกำหนัดยินดีติดเป็นยางเหนียวติดอยู่ในโลกติดกับทรัพย์สมบัติติดกับยศฐานบรรดาศักดิ์ติดกับสามีภรรยาลูกติดไปหมดอันนี้คือกามราคะนี่เป็นยางเหนียว โทสะนี่เป็นสิ่งที่ปกป้องทานเขาได้พอใจแล้วก็หายไปถ้าไม่พอใจก็เกิดอารมณ์โมโหโทโสปกป้องเพราะนั้นท่า น, นว่ากิเลสราคากะกับโทสะนี่เป็นของคู่ใกล้ๆกันปกป้องซึ่งกันและกันอาศัยซึ่งกันและกันถ้าว่ากิเลสราคะกระเด็นออกไปโทสะก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันล้มบางงานพอล้มก็วัด กิเลสราคะกะตัสาตหมดออกจากจิตใจของพระอนาคามีพร้อมกันเหลือแต่โมหะเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านการบำเพ็ญจิตตภาวนานี่ยมีที่สิ้นสุดที่หลวงพ่อพูดมาแล้วมันเหมือนกับอะไรปนเปนกันแล้วเราจะจับจุดไหนที่จะนำมาประพฤติปฏิบัติเนี่ยทีนี้เราก็ถ้าจะให้จับจุดจริงๆ ถ้าจะให้เน้นหนักจริงๆก็คือจุดที่ว่ากําหนดลมหายใจเข้าออกนี่แหละคือนี่แหละกุญแจเปิดเข้าสู่ธรรมะขั้นสูงขึ้นไปถ้าว่าจิตใจยังไม่สงบแล้วไม่มีทางที่จะเห็นส่วนอื่นได้เพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านการภาวนานต้องพยายามทําจิตให้สงบจะทํายังไงจิตจริงจะสงบได้อย่างพวกเราท่านทั้งหลาย่การบำเพ็ญน วันนี้อย่างวันนี้ยกตัวอย่างวัดนี้เลยเอาวันนี้เลยบอกข้าไปเจ้าจะภาวนาจะทําจิตให้สงบจะกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกจะไม่ให้เผลอข้าไปเจ้าจะเดินจะก้าวเดินขาขวาพุทธขาซ้ายโถจะไม่ให้เผลอข้าไปเจ้าจะกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกจะไม่ให้เผลอในลมเพราะข้าไปเจ้าเคยเผลอมาแล้ว เคยคิดปรุงฟุ้งทางอื่นมาแล้วมันได้อะไรแต่บัดนี้ข้าพเจ้าจะไม่ให้มันหลุดออกไปข้าพเจ้าจะให้มีสติกับรมหายใจเข้าออกให้มีสติอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดเวลานี่ลหละถ้าพวกเรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมีความพยายามอย่างเด็ดเดี่ยวอย่างอาถานอย่างมุ่งมั่นจุดนี้นี่หละเป็นกุญแจดอกสาคัญเป็นกุญแจที่จะไขไปสู่ความ สุกความเจริญนะวาธรรมะที่สูงส่งขึ้นไปตามขั้นตอนแต่ถ้าว่าพวกเราเปิดดอกนี้ไปได้พวกเราทำอย่างนี้ไม่ได้คงจะยากที่จะไปเห็นธรรมะขั้นสูงสูงขึ้นไปนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าจิตของเราปุงฟุ้งซ่านจิตไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเราจะไปคิดไปพิจารณาไตรตรองหาเหตุผลนั้นคงจะจับต้นชนไปลายไม่ถูกเหมือนกัน พอนั้นจุดแรกก็คือกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกให้มีสติอยู่กับตัวเองเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งแล้วนําจิตที่สงบนั้นพิจารณาร่างกายในเมื่อเราพิจารณาร่างกายอย่างที่ว่าเกสาโลมานาขาจนถึงร่างกายของเรามีอะไรบ้างอยู่ในนี้มีโครงกระดูกเป็นโครงสร้างจากนั้นใจของเราก็เมื่อเห็นเห็นโครงกระดูกแล้ว ก็น้อมมาใครเป็นคนเห็นร่างกายใครเป็นคนพิจารณาใครเป็นคนรู้ว่าร่างกายนี่เป็นอย่างนี้ถามมหาใจนั่นแหละใจทั้งใจดวงนั้นแ่ะคือนามมาทำตัวละเอียดนั่นแะทีนี้พอเราทำจิตให้สงบมันจิตจิตใจไ ม, ไม่ไม่ปุง่งไม่ฟุ้งไม่ซ่าเ่ยมันจิตใจมันอิ่มตัวเลยพิจารณาอะไรมันก็เป็นมันเห็นชัดด้วยความรู้สึกนั้น ในเมื่อเราเห็นจากนั้นแล้วท่นี่อมันแยกออกท่านนี่ดูกายก็ดูใจแหละทนนี่นี่แหละอสรุปแล้วคือธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเห็นที่แรกเห็นกายซะก่อนนะกําหนดลมหายใจเห็นกายซะก่อนพอเห็นกายเสร็จแล้วก็จับกายอยู่แล้วท่านนี่สติอยู่กับกายแล้วพิจารณาดูใจแหละใครเป็นคนรู้กายร่างกายมันเป็นอยู่อย่างนี้แต่ใจของเราไปลุ่มหลงกายใช่ไหม ไปยึดถือว่าร่างกายสังขารเป็นตัวตนของเราใช่ไหมคิดว่าร่างกายจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายใช่ไหมทีนี้มาถา ม, ถามถึงตัวใจละร่างกายสังขารเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกกล่าวตัดไว้ใช่ไหมทีนี้มันใจมันก็ต้องยอมรับทีละน้อยละน้อยละน้อยใช่ร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆในเมื่อร่างกายแก่เจ็บตายแล้ว ขนาร่างกายตัวเองยังไม่ใช่ตัวตนของเราสิ่งภายนอกละ่ะทรัพย์สมบัติละ่ะยศถาบรรดาศักละ่ะญาติพี่น้องเพื่อนฝูงพ่อแม่ปู่ย่าตายายวงสาคณาญาติญาติมิตรสหายละ่ะเป็นของเราใช่ไหมทีนี้เราก็รู้ได้ว่าใช่สิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงแต่อาศัยปัจจัยอาศัยเป็นชั่วครั้งชั่วคราวเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่ แต่ขนาดร่างกายของเรายังไม่ใช่ตัวตนของเราสิ่งเหล่านั้นจะเป็นของเราได้อย่างไงแต่เราก็ต้องอาศัยเป็นปัจจัยอาศัยสิ่งเหล่านั้นเราจะมองข้ามไม่ได้เราจะประมาทไม่ได้เพราะเรายังมีร่างอยู่ก็ต้องอาศัยปัจจัยสิ่งเหล่านั้นมาเกื้อกูลหนุนกันแต่เราจะไปยึดสิ่งเหล่านั้นเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นเรื่องเราจริงจริงเราก็ทุกข์เปล่าเราก็ทุกข์เปล่าคว้าน้ําเหลว ในเมื่อใจขาดแล้วเราก็ทิ้งขนาดร่างตัวเองก็ยังทิ้งเราจะไปถือว่าเสิงเหล่านั้นเป็นสาระเป็นแกนสารได้อย่างไรร่างกายตัวเองแท้ๆเขาก็ยังเอาไปเผาไฟทิ้งออกจากร่างแต่วิญญาณคือใจนามธรรมออกจากร่างเท่านั้นถ้าว่าเรายังลุ่มหลงกิเลสยังอยู่ในจิตในใจของเรายังตัดไม่ขาดทันนาทีนี้ใจตรงนั้นก็ต้องกลิ้งไปอีกแล้วทีนี่ จิเลสพาเตะกลิ่งไปในภพภูมิต่างๆถ้าว่าเราได้สั่งสมบุญกุศลเราก็ไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมสวรรค์ต่างๆพรหมต่างๆมีภพภูมิต่างๆไปตามบุญกุศลที่เราได้สั่งสมไว้ดีแล้วแต่ถ้าว่าเราจิตใจของเราก่อนที่ใจจะออกจากร่างจิตใจมัวหมองจิตใจขุดมัวจิตใจมีอารมณ์ ไม่พอใจเกิดราคะโทสะโมหะใจของเราก็ต้องตกต่ำลงไปอีกไปในภพภูมิต่างๆเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ขอให้พวกเราทุกๆท่านให้ศึกษาให้ดีพุทธาาศาสนาที่เกิดขึ้นมาได้อย่างไรที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสู้เป็นพุทธาาศาสนานี่เป็นแนวความคิดอย่างไรเบื้องต้นท่านก็เป็นพระเจ้าแผ่นดินปกครองกรุงกบินลพัด อายุยี่สิบเก้าปีท่านเห็นอะไรท่านเห็นความแก่ความเจ็บความตายเป็นเบื้องต้นจากนั้นท่านจึงคิดค้นหาวิธีที่จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายจะหาวิธีอย่างไรท่านจึงเด่นหนีเออออกไปบวชไปอยู่ในป่าตามลําพังถ้าอยู่ในเวียงในวังท่านคงจะไม่มีเวลาที่จะคิดในสิ่งเหล่านั้นได้เพราะสิ่งภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องรบกวน มากมายเพราะนั้นท่านจึงหนีออกไปคิดตามลำพังไปค้นคว้าถึงหกปีจึงได้พบได้เจอจนได้ตัดสู้ธรรมจรึงได้นำธรรมคำสั่งสอนมาเผยแผ่ขยายผลเขียนแผนที่ให้พวกเราได้ศึกษามาถึงยุคนี้สมัยนี้เพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาได้อย่างไรก็เพราะนี่แหละจุดประกายแรกก็คือพระพุทธองค์เห็นความแก่ความเจ็บความตาย หาวิธีการแก้ไขจากนั้นพระองค์ก็แก้ไขแก้ไขได้จริงๆนะเออเป็นมาอย่างไรออกมาจากใจใจดวงนี้แหละใจตัวนามธรรมตัวนี้แหละไปเกิดในภพภูมิต่างๆเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงแล้วตัดกิเลสออกจากจิตใจแล้วรู้แจ้งแล้วเบื่อหน่ายคลายแล้วที่จะทําให้ไปติดไปข้องไปแว่นั้นตัดออกหมดแล้วรู้แจ้งเห็นจริงแล้วนั่นแ่ะจะนี่ เมื่อรู้แล้วจะไปจะไปทำไม่หมดแล้วที่จะทำให้หมดเชื้อจากใจของพระองค์แล้วนี่แหละสรุปแล้วก็คือเราปฏิบัติธรรมเนี่ยมีที่จบมีที่สิ้นจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกมีมีหนทางมีหนทางไปได้แต่ว่าจะต้องใช้ความพยายามต้องใช้ สติต้องใช้ปัญญาต้องใช้ความอดทนอย่างมากที่จะหลีกลี่หนีจากกิเลสราคะโทสะโมหะตัดกิเลสออกจากใจได้เพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะวันนี้หลวงพ่อได้พูดแนวความคิดให้พวกเราได้ศึกษาให้ฟังได้ศึกษาก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาขอยุติในการพูดเพยงเท่านี้ตอนนี้ไปนั่งสมาธิ